หนึ 1> 1. การปฏิบัติธรรมต้องใจเย็นและไม่คาดหวังวงเล็บเปิดสิ 16. พฤศจิกายน2550ัในวงเล็บสองจุดจุดนาที28วงเล็บปิดอย่าบังคับแรงอย่ารีบปฏิบัติถ้ารีบร้อนปฏิบัติยิ่งช้าการปฏิบัติธรรมต้องใจเย็นเย็นเนียนเนียนดูเล่นเล่นแต่ขยันครูบาอาจารย์ท่านเทียบเหมือนแกะสลักพระพุทธรูปสักองค์แกะหินหรือแกะไม้ให้เป็นพระพุทธรูปสว ย, สวย แกะมาอย่างดีทีเดียวพอใจร้อนนิดเดียวทำจมูกแหว่งไปแล้วเสียหายหมดเพราะฉะนั้นเราไม่ใจร้อนเราดูกายเราดูใจดูทุกวันไม่ขี้เกียจแต่ว่าไม่ลุกลี้ลุกลนว่าเมื่อใดจะได้มรรคผลนิพพานถ้ายัางอยากได้มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานจะไม่เกิดแต่ถ้าไม่ได้อยากหมดความอยากเมื่อใดมรรคผลนิพพานก็จะเกิดถ้ายัางเจือด้วยความอยากมรรคผลนิพพานไม่มี เหมือนอย่างคืนสุดท้ายของพระอานุ์พระอานุ์เดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งคืนในพระไตรปิฎกบอกว่าพระอานนุนยังราตีสุดท้ายก่อนสังขยาให้ล่วงไปด้วยการรู้กายเป็นส่วนมากท่านรู้ร่างกายกายยืนเดินนั่งนอนเห็นกายหายใจใจของท่านเป็นแค่คนดูเรื่อยๆจนกระทั่งใกล้สว่างท่านก็คิดว่าเดี๋ยวสว่างแล้วต้องไปสังขยนา ตอนนี้ท่านเหนื่อยแล้วท่านอายุตั้งแปดสิบนะทรมานอย่างนั้นท่านก็ต้องโสมบ้างแหละท่านเหนื่อยท่านรู้สึกว่าท่านจะต้องพักผ่อนแล้วในพระไตรปิฎกบอกว่าพอท่านคิดว่าท่านจะต้องพักผ่อนท่านก็เอนตัวลงนอนท่านนอนเตียงศีรษะไม่ทันถึงหมอนเท้าไม่ทันพ้นจากพื้นเลยก็เป็นพระอรหันต์ในพระไตรปิฎกไม่ได้บอกว่าพระอานนท์เลิกปฏิบัตินะไม่ใช่ว่านั่งสมาธิเดินทั้งคืนแล้ว ต่อไปนี้ต้องพักผ่อนแล้วเลิกปฏิบัติเลิกปฏิบัติแล้วไปนั่งไปนอนพระอนตน์ไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ท่านไม่คาดหวังอะไรแล้วท่านจะพักผ่อนแล้วท่านไม่ได้คิดเรื่องการปฏิบัติแต่สติของท่านอัตโนมัติแล้วสตินั้นฝึกปลืออย่างเข้มงวดมาแล้วมันเกิดสติระลึกได้เองเห็นกายเห็นใจนี้มันลงไปนอนเห็นโดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงสักนิดก็ขาดตรงนั้นเลย เพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีความอยากมีความจงใจเจืออยู่สักเล็กน้อยในขณะนั้นมรรคผลจะไม่เกิดเวลาที่มรรคผลเกิดนี่จะเป็นเวลาที่ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดอย่างตอนพระพุทธเจ้าในวงเล็บเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนั่งอยู่ใต้ต้นโพพยามาณมาผจญพระพุทธเจ้าท่านก็บอกท่านจะไม่ลุกขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ท่านคาดหวังว่าท่านจะบรรลุเมื่อ น, นั่นเมื่อ น, นี่นะเพียงแต่ท่านยอมตายแล้วกล้าสละชีวิต แต่ไม่ได้คิดว่าจะต้องบรรลุเมื่อใดนั่งก็นั่งนะนั่งไม่สำเร็จก็ตายมันตรงนี้ไม่ลุกอีกแล้วอันนี้ไม่ใช่ทำด้วยความอยากแล้วไม่เหมือนกัน